ไปคืนพากันตั้งใจสำมรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่อย่าวอกแวกใจวอกแวกนี่แะมันเป็นเหตุให้คนเรานั้นะอยู่ด้วยกันกะ็ทะเลาะวิวาดกันเพราะใจน้อยใจไม่หนักแน่น มีเรื่องอะไรมากระทบนิดหน่อยก็วันไว้ไปเลยเมื่อจิตใจวันไว้แล้วก็ทนไม่ไหวก็แสดงออกมาทางวาจาก็กระทบกระทั่งกันไปเอเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันควรจะรู้กันนะผู้ปฏิบัติธรรมนะ ไม่ควรที่จะเป็นลูกอำนาจแก่กิเลสความโลภโปรดลงคำว่าปฏิบัติบูบชานั่นน่ะก็หมายเอาที่ว่าเราสละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้ได้นี่เนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูบชาเพราะ บรมศาส์ดาผู้ประเสริฐในโลกไม่เช่นนั้นแล้วก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติบูชาเพราะว่าความมุ่งหมายของพระเจ้านั้นนะพระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์เรานั้นเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ภาพเพียพยายามละกิเลส ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่พระองค์ได้ทรงสร้างพระ บ, บารมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมหากับก็เพื่อนำพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็ น, นำผู้อื่นให้พ้นไปตามด้วยถ้าผู้อื่นไม่ปฏิบัติตาม ก็ไม่สามารถจะพ้นทุกไปตามพระองค์ได้ดังนั้นใน่้พากันเข้าใจการทำอะไรจะให้ได้ดังใจของตนทั้งหมดมันไม่ได้หรอกโรคอันนี้นะต้องละเสียอุปทานอันนี้นะอย่าไปถือมั่นไว้บางสิ่งบางอย่างก็สมหวังบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้สมหวัง เราต้องภาวนาไว้เสมออย่างนี้นะก็เพราะโลกอนิจจังแล้จะให้มันได้สมหวังทงความมุ่งหมายของเราทุกอย่างไปได้อย่างไรอะ่ะมันจะได้ก่พข้อเหตุว่าเราทําความดีเท่านั้นแหละเมื่อเราทําความดีให้สูงขึ้นไปหรือทําำ功德ดีให้มากขึ้นไป เช่นนี้นะเมื่อเราต้องการปัถนะอะไรบุญกุศลคุณความดีเหล่านั้นก็จะบันดาลให้เป็นไปได้หรือในขอบเขตของแห่งกำลังของบุญที่ตนกระทำนั้นมันไม่เลยขอบเขตแห่งบุญกำลังของบุญไปได้ผัวใดมีบุญน้อยแล้วก็ได้สมหวัง สิ่งต่างแต่น้อยอผู้ใดมีบุญมากก็ได้สมหวังในสิ่งที่ตนต้องการมากออย่างนี้แหละนนเราจะไปแสวงหาหรือจะไปพูดไปทําในสิ่งที่เราต้องการบัญชาการเอาเลยอย่างไีนให้ได้ตามใจหวังอย่างนี้ถ้าบุญ กุศลหนหลังไม่หนุนส่งแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะได้สมหวังก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้นเราปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้นะเมื่อเมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้หรือว่าเข้าใจทั้งหมดที่รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นพวกเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องระหองละแหงกระทบกระทั่งกันได้อย่างใด เพราะว่าต่างคนต่างเป็นนักสเสียสละอ้าเราพูดอย่างนี้ไปไม่มีใครทําตามแล้วก็แล้วไปเออเราประสงค์ที่จะให้เพื่อนทําอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยเพื่อนไม่ทําแล้วก็แล้วไปเราก็ไม่ต้องไปวิตกพิจารณ์น้อยเนื้อทําใจอะไรว่าเรานะี่ยเป็นใหญ่อยู่ในเนี่ยเราพูดอะไรแล้วไม่มีใครทําตาม อย่างนี้เราก็จะไปใช้อำนาจพูดเสียบแทงคมขูให้ผู้อื่นกลัวแล้วจะได้ทำตามอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยคนเราขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาอย่างที่ว่ามาเนะอย่าไปหลงหลักนี้นะถ้าหากว่าเรามีบุญมากในชาติก่อนมาเราเป็นผู้มีเมตตาอาริอารอบ มีใจคอก้องขวางเผื่อแพแค่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยกันทุกทุกด้วยกันสุขสุขด้วยกันมาในสงสารอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้มันก็ต้องมีบริษัยบริวารมากแล้วพูดอะไรออกไปในคำมัก็ะมีผู้ทำตามมีผู้อำนวยความสะดวกให้ นี่มันก็พราผลแห่งความดีที่เราทํามาแต่ก่อนนั่นแหละมันมาอํานวยให้อืถ้าหากว่าไม่ไม่เป็นเช่นว่านี่ก็แสดงว่าประชาติก่อนนั่นแนหะเราทําความดีอย่องว่านี้มาน้อยอความเป็นผู้มีเมตตาไมตรีเผื่อแผ่น้อยไป ส่วนมากก็มกกักจะเห็นแก่ตัวนั่นแหละคนเรานี่นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผลมันก็นมาอำนวยให้ตามน้อยอยากจะมีบริษัทบริวารมากก็มีไม่ได้เพราะบุญทัวมันน้อยเผื่อแผ่เพื่อนไม่ไหวเออ ม, มื่อพอได้รู้ตัวอย่างนี้เราก็อยู่ไปตามบุญตามกรรมของตัวเองสํารวมกายวาจาใจของตนให้เป็นปกติไป อย่าให้ใจมนันขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่อมีสติสมัชย ญ, ญาประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมอไปถ้าทำจิตใจได้อย่างนี้แล้วแม่นจะได้อะไรไม่ได้อะไรภายนอกก็อย่าไปนิตกวิจาร์อย่าไปดิดปด้นรนมันเลย ขอให้ทําใจให้มันสงบเป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ให้ได้แล้วก็มีความสุขเท่านั้นเองนะจะมีสมบัติภายนอกมากมายหรือมีสมบัติน้อยหรือมียศฐานานสักน้อยอก็ไม่เดือดร้อนนะไม่ไม่มีความหมายอะไร ยศธาบรรดาศักร์ความส น, สนัเสริญเยนยอความนินทาภายนอกหมู่นั้นเน่ะมันเป็นแต่เพียงธรรมประจำโลกท่านจึงเรียกว่าโลกกระทำธ ร, รรมอันนี้มันถ้งมีมาแต่ดึกดำบันพพระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นธรรมของเก่าบุคคลเกิดมาในโลกนี่ก็มาหวนไหวอยู่ด้วย ความมีลาบมียศสนเสริญความสุขกายสบายใจถ้าได้ประสบอย่างนี้เรียกว่าได้ประสบอิทธารมอารมณ์ที่น่าชอบใจดีอกดีใจว่าตนนั้นได้สิ่งที่ต้องการปรารถนาได้ลาบได้ยศได้รับคำสรเสริญเยินโยจากผู้อื่นมากมายแล้วก็โลภยัยไข้เฉ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกาย มีความสุขกายสุขใจอยู่ติดอยู่ในความสุขอันนี้ท่านก็เรียกว่าติดอยู่ในโลกธรรมติดอยู่ในธรรมประจำโลกจิตใจก็หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้ก็ต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ถ้าไปยึดถือเอาความเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้าย ถูกความทุกข์ครอบงำกายใจก็ไปเสีย อ, อกเสียใจประทมทุกทางจิตใจเช่นนี้ก็เรียกว่ายึดเอาอาลิถารมอารมณ์อันเป็นที่ไม่น่าพอใจต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในโลกนี้เช่นเดียวกัน ให้พึ่งพาการศึกษาให้เข้าใจเราจะพอใจติดจุดในโลกธรรมเท่านี้เหรอเนี่ยหรือว่าเห็นโทษของโลกกระทำเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองถ้าไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ลกมันไม่ได้ต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเอง อย่าไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยเพราะว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกเนี้นะ่มันมีโลกธรรมแปดแปดประการในลนะครอบกรรมอยู่นะนั่นแหละพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นอนี่นะก็จริงเลยนะจิตใจก็ไหลไปตามโลกธรรมแปดประการใ้อยู่ทั่งวันทั้งคืนไปอยู่นะั้น อา้เอาเพื่อนได้ลาบมาร่ลำรวยเงินทองเข้าของก็ดีอกดีใจมีผู้ให้ยศถาบรรดาศักดิ์เข้าไปก็ดีใจปลื้มใจมีใครสนเสริญเยินยอก็ดีอกดีใจมากมนี่แหละทั้งร่างกายก็ไม่มีโรคภัยอันไดแรงเบียดเบียน ก็ชื่นชมยินดีกับร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นถือว่าตนนั้นมีความสุขสบายพอแล้วอืมออย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายถึงดวงจิตนี้เองเนี่ยวันไว้ไปตามโลกธรรมเหล่านั้นอยู่ไอ้คนเราที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกัน แต่สามาคีกันก็เพราะมันวันไหวต่อโลกกรรมทั้งแปดนี่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองอันที่ถูกผู้อื่นเขาตำหนิทีเตียนนินทาว่าร้ายมาอย่างนี้ก็วันไหวแนละ้วจิตใจนะไม่พอใจแล้วจะไม่ยอมไม่ใครแตะต้องเลยอะถือว่าไอเรานี่มันก็คนคนหนึ่งนะ จะมาแตะต้องกันไม่ได้ก็ต้องตอบโต้กันไปในที่สุดไม่มีใครดีกว่าใครเล้วด้วยกันทั้งสองฝ่ายตอนนั้นยังไม่รู้ตัวนะคนเนี่ยยังส่งคัญว่าตัวดีอยู่ถ้าผู้ใดรู้ตัวได้พยายามปรับปรุงจิตใจของเขาให้หนักแน่นเข้าไปอดกันทนทานต่อโลกธรรมตัางกล่าวมานี่ ได้ไม่วันไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นย่อมมีกิเลสดังธุรธีไปปราดแล้วนี่แหละเราไม่อยากให้กิเลสหมดไปจากคิตใจเหลอก็ถามตัวเองดูนั่ น, นแสดงว่าผลสุดท้ายกิเลสมันจะเหือดแห้งไปได้ ก็เพราะความอดกั้นทนทานเหตุความไม่วนไหวความไม่หวนไหวนี่ก็แสดงว่าความไม่ยึดถือนั่นเองนะนี่แหละถ้าจิตใจ ย, ยึดถือสิ่งใดอยู่ ม, มันจะหวนไหวอยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้ะถ้าหากว่าสรรเสริญนินทากาเลอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาไม่หวนไหว ไปทุก ท, ทางเลยทางสรรเสริญก็ไม่หวันไว้ทางนินทาก็ไม่หวันไว้ไปตามอย่างนี้นะอยู่ตรงกลางเช่นนี้ก็แสดงว่าไม่ยึดถือเรื่องนั้นแล้วปล่อยวางไอ้กิเลสที่มันผูกมัดตัตึงจิตใจอยู่นั้นมันก็ย่อมคลายออกไปจิตไม่ยึดเอาแล้วนี้มันจะไปอยู่ได้ยังไง กิเลสต่างๆนี่มันอยู่ได้เพราะจิตยึดถือเอาไว้มันเป็นอย่างนั้น ถ, ถ้าจิตใจไม่ยึดถือเอาสิ่งใดไว้แล้วสิ่งนั้นตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนั้นเมื่อรวมความลงแล้วก็เรียกว่าความรักกับความชังกับความหลงนอา้าวถ้า มันละความรักลงได้ละความชังได้ละความหลงยังไม่ได้นี่ให้สังเกตดูให้ดีอ่ามันไม่รักมันไม่ชังสิ่งภายนอกแหละแต่มันก็มาหลงยึดอยู่สิ่งภายในคือธาตุสี่ขันหานี้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตน ก็มายึดไอ้รูปน้ำอันนี้อยู่อย่างนี้แต่เรื่องภายนอกแล้วติดใจไม่ไม่หลงไม่หลงรักไม่หลงชังอันนี้ก็มาหลงยึดหลงถืออยู่ในรูปน้ำภายในนี่ลองสังเกตดูอย่าไปสำคัญว่าเออภายนอกตนก็ไม่รักใครแล้วก็ไม่ชังใครอย่างนี้แล้วตนก็สบายแล้วนี่ อย่าเพ่งอย่าเพ่งสบายก่อนต้องมาเพ่งภายในนี่เพ่งดูนามธรรมนี่เพ่งดูรูปธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้เห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษของมันคุณแห่งนามแห่งรูปอันนี้บุญกุศลตกแต่งมาให้เราก็ได้มาปฏิบัติตามคําสอนของตัวเจ้าอย่างนี้แหละ ถ้าเราไม่ได้รูปกายอันเป็นมนุษย์นี่แล้วไม่มีความสามารถที่จะมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เช่นอย่างสัตว์สิ่งนิรันดรนที่เกิดร่วมโลค ก, กันอยู่เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วจะไปถอนธรรมะให้มันมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยใจิตใจคนเรานะแม้เป็นคนอยู่นี่ก็ตามนะถ้าไม่ทำดี ได้ยกกิตของตนในถูงอยู่ด้วยคุณธรรมเอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ดะไรฉานเนี่ก็ไม่รู้อะไรแล้วใครจะมาพูดธรรมะทรรมวยให้ฟังไม่รู้เลยก็ก็เป็นเช่นนั้นจริงที่เพราะตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่อาศัยร่างมนุษย์นี่อยู่มันก็ไม่ไม่สนใจกับคําสอนของพระเจ้าแม่เพื่อนพูดอะไรให้ฟังมันก็ไม่ฟัง มิได้ส่งใจนี้ไปทางอื่นนู่นไม่ยอมรับไม่ยอมดูดรื่มเอาคำสอนของพระ เ, เจ้าไว้ในใจก็เช่นนี้แหละเมื่อตายไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกฉานแล้วมันจะไปรู้อะไรได้ให้พากันเข้าใจอันนี้นะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสนใจกันเพราะว่า ถ้จิตใจนี่นะเมื่อไม่ฝึกฝนให้มันตั้งมั่นให้มันหนักแน่นแล้วเช่นนี้นะ่ะมันพลิกแผงไปง่ายเกินเลยอ่อาอย่างเรื่องาบาปกรรมอย่างอย่างอย่างต่ํานะอย่างไม่ไม่หนักเท่าไหร่ก็ทำจิตใจนั่นนะจะไปทําบาปซะจริงๆก็ไม่ทา จะทำบุญจริงๆก็ไม่ทำทำบุญกันนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะแล้วจิตใจนั่นตกต่ำลงไปอย่างว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเช่นนี้แล้วตายเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันหนาแน่นโดยกิเลสกัวนั้น เป็นคนโมโหโท่โสจัดไม่มีเมตตาปาณีต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายแต่ก็ไม่ถึงกับฆ่าให้ล้มให้ตายแต่ไม่มีการเอเือเพื่อเผอแผ่เห็นแต่แก่ตัวอย่างนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายซึ่งมีร่างกายอันไม่สมประกอบ นี่ก็ให้ดูจิตใจนี่ยังว่าคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจิตใจมันโมโหโทโสมากโรบมากเห็นแก่ตัวมาก อ, อ, อย่างนี้แล้วลงมือทําตามกิเลสนั่นไปจะใครจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรก็ช่างไม่คำนึงถึง ไปทำลายชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไอ้หมูนี่นะเมื่อจิตใจมันตกลงไปต่ำถึงอย่างนั้นแล้วตายลงแล้วก็ไปเป็นสัตว์นรกนะไปเกิดเป็นสัตว์นรกท่านกล่าวไว้ในตำร า, า ว, ว่าสัตว์นรกในร่างไหรูปร่างหน่าเกลียดหน้ากลัวอจิตที่ประกอบอยู่ด้วยบาปอกุศลนั่นเนะ มันก็เข้าไปสิงอยู่ในร่างอันนั้นนั่นเอแล้วก็ยมบาณก็จับซัดลงนรกตกลงไปน้ำร้อนลวกไฟเผาก็เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นเนืยนี่แหละท่านจึงพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าราสักกีนาโทสักคีนาโมหคีนา ร้อนอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะร้อนอยู่ด้วยโมหะแผดเผาเอ า, เ, อาเมื่อเป็นมนุษย์อยู่นี่ก็ร้อนอยู่ด้วยกิเลสเหล่านี้ไม่ทําละสะสางให้เบาบางไปเลยออย่างนี้นะท่านเมื่อตายลงไปแล้วก็ไปเป็นสัตว์นรกไปร้อนอยู่ในนรกนู่นมันก็จิต ด, ดวงเดียวนี้เองเนี่ยเราให้สังเกตดูจิตใจของเราทุกคน่ะ มันเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงพิจารณาให้ดูเห็นด้วยตนเองอืม่ไม่มีใครที่จะรู้จิตตัวเองยิ่งไปกลัวตัวของตัวเองดังนั้นทุกคนอย่าไปลืมอย่าไปลืมจิตตัวเองจิตตัวเองนี่มันอยู่ในระดับไหนมันอยู่ในกิเลสท่านใด อย่างนี้นะมันมันรู้ได้ถ้าบุคคลมีสติสมรมะเัญญะมีโอปนาญโกโนมสติสรรมะเสญญะระลึกเข้าไปหาจิตใจภายในหนูนะล้วไปเพ่งพิจารณาดูเนี้ยมันก็รู้ลักษณะอาการของจิตดวงนี้ได้จิตเป็นสัตว์นรกหรือว่าจิตเป็นเปรต หรือว่าจิตเป็นอสุรกายหรือสัตหรือจิตเป็นสัตยรฉานมันก็รู้ได้หรือว่าไม่เป็นทั้งนั้นก็รู้ได้นี่ยถ้าไม่เป็นทั้งนั้นแล้วกอบเป็นจิตอะไรเป็นจิตมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดานี่เรียกว่าไม่ทำานกบาปแต่ว่าไม่ไม่กระตือรือร้นในบุญกุศลอ่าทำไปบ้างหายไปบ้าง แต่ว่าความเชื่อในบุญกุศลนั้นน้อยอยู่แต่เชื่ออยู่ว่าทําบุญได้บุญแต่ว่ามันความเชื่อมันมีกำลังน้อยอก็ทำบุญตามประเพณีไปอย่างที่ทํากันอยู่นี่แหละอา้าวประเพณีวันศาสตร์ที่โบราณอาจารย์ท่านพารรมาอย่างนี้ก็พากันยึดถือเอาหลักนี้ไว้ปฏิบัต อนักปราชญ์ท่านมองเห็นว่าไอคนพวกที่มีบุญบารมียังอ่อนอยู่นั่นน่ะแล้วจะให้มันสนใจในธรรมปฏิบัติด้วยตนเองขึ้นมาโดยไม่มีคนอื่นซักวนไม่มีโอเพณีอะไรเนี่ยอย่างนี้มันทำไม่ได้เลยนักปราชญ์อาจารย์ท่านพี่นาเห็นอย่างนั้นเน่ะจึงเลยเลยตั้งโอเพณีลงไว้ อา้าวันเดือนเก้าสิบนี่าทาบุญอุทิศให้แก่ปตะชาชนในตำราลราก็ยังกล่าวไว้ว่าวันเช่นนี้นะยมพว w นปล่อยสารนรกออกมาอออออกมารับทานของญาติพี่น้องของผู้ตายไปแต่ก่อนนั้นนะมีอะไรเขาเรียกอะไร ม, ม, ม, มันแรงกาบหมดนั่นแหละมันแลกเหมือนกันนะอันเมื่อใกล้ๆจะถึงเข้ากระดับดินมาแล้วก็ไอเจ้าม่แรงอันนั้นนะก็บินมาจับอยู่ตามต้นไม้ตามมุนั้นในหะ้ผู้ที่เกิดม่ใหญ่ที่หลังอาจจะยังไม่เห็นก็ได้เพราะมันหายเวสนานแล้ว ผู้ที่เกิดมาอายุประมาณสามสิบสี่สิบปีเนี่ตยต้องรู้แหละต้องรู้ดังนั้นนะขั้นต่อมานี่ไอ้มแมลงอันนั้ น, นหายสาบสูญไปเลยไม่ไม่ปรากฏเลยเดียวเนี่ยนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะแต่ก่อนนี่ คนทำบุญเข้าประดับดินเนี่ยก็ทำหอ่อขนม ข, นมขนม้าวต้มแกงต้มแกงหวานเป็นห่อเล็กๆน้อยๆใส่ถาดเสียแล้วก็พอรุ่งเช้ามาเอาเข้าไปวัดนะไปขอให้พระเวนทานมาสำนวนโบราณนะให้กล่าวเวนทานให้ แล้วพระก็ไปกล่าวเวียนทานให้เขาเสร็จแล้วพนนีผู้เจ้าของทานก็เอาห่อนั้นไปวางไว้ตามฐานของเจดีย์เอวขันนะ่ะวางเป็นสายไปแล้วบางทีก็วางไว้ตามใต้วัดนั่นแหละอั น, นี้พวกปลาพวกสุ น, นัขก็มาแย่งกันกินไปอยู่อย่างนั้น ถือว่าตนได้ทาบุญหาผู้ตายแล้วนี่นะความเข้าใจของคนในยุคลังหลังไม่ดานเท่าไรนักนี่แหละปัจทีนี้เมื่อมาเทียบดูกับตำราแล้วขัดกันเหมือนฟ้ากับดินเลยความเห็นของทายกพายกาครั้งนั้นนะอ่ะเวเรื่อง พระพุทธเจ้าทรงต า, าัสวาไอการทําทานนี่มันจะมีผลมันจะเป็นบุญกุศลกันได้มันต้องมีผู้รับอันจะเอาไปวางไว้เฉยๆนี่แล้วจะให้เป็นบุญกุศลขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีผู้รับอออย่างนี้แหละแล้วคนเข้าคนแต่ก่อนนั่นเข้าใจว่า เอาไปวางว่าอย่างนั้นแล้วพวกญาติมิตรที่ตายไปเป็นเปรตเป็นผีอยู่นั้นก็จะมากกินกันเขาจะได้อยู่ได้กินหนว่าอย่างนี้เนี่ยนี่แหละมันเข้าใจไม่ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยให้กล่าวไว้ว่าพวกเปรตพวกผีวันนี้มันกินอาหารมนรุษย์ไม่ได้ออไม่ได้มันกรรมวิบากมันต่างกัน บุญกรรมมนันตกแต่งให้เขาเองอาหารของเขาเองไม่ใช่ว่ามันจะมากินร่วมกับมนุษย์ได้เมื่อไหรไม่ไม่ได้อย่างนี้ท่านอาจารย์บุญมาที่องค์เครื่องบินตกธรรมรณภาพท่านทุดองอยู่แถวภูพานจังหวัดสกลนคร เนะมีผีตัวหนึ่งเข้ามาหาท่านถามว่าไอ้ที่เขาเอาเป็ดเอาไก่ต้มหมูต้มตเป็ดต้มไก่อะไรไปวางไว้ตามร้านสารเจ้านะั่นน่ะผีด้กินไหมวะผีนั้นตอบว่าไม่เลยไม่ได้กินหรอกเพราะอาหารมนุษย์ไม่ใช่อาหารผีอาหารผีบุญกรรมบาปกรรมหักปกแต่งให้ต่างหาก นี่นะผีตนนั้นก็ตอบท่านอาจารย์บุญมาก็อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงได้มาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายฟังผู้ได้ยินได้ฟังผู้เชื่อตามก็งดเว้นเลยบนันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปวงสวงสารเจ้าสารเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเลย เพราะว่าสบริษัทเข้าใจอย่างนี้แหละตกมาสมัยทุกวันนี้จึงไม่มีเลยแต่ภาคใต้ยังมีอยู่เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าร้านเปรตเขาไปยกร้านเปรตขึ้นในวัดในห่างไกลจากสาราเท่าไรนักแล้ววันนี้ใครมีอาหารอะไรก็เอาไปรวมรวมกันที่ร้านนั่นนั่นนี่นนเขาก็เอาได้ผูก ที่ไส่ล้านนั้นะขึงมาให้พระจับให้พระกล่าวบางสกุลอยู่ในศาลานี่ยพอพระเกล่าวคำบางสกุลเสร็จไสละให้พอแล้ววันนี้ก็ให้พวกชาวเลพวกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆในทะเลนั่นเลยพอถึงวันอย่างนั้นมาเขาถือว่า เขาเป็นไปตะชนผู้หนึ่งเป็นผู้ที่สมควรจะไปรับ อ, อ, อาหารหวานขาวจากมนุษย์ที่ยกล้านเปรตขึ้นนั้นเรยได้ว่าเขาสมมติตัวเขาข อ, ของเขาลงไปว่าเขาเป็นเปรตนั่นเหรอเพมีตะกต้าติดไม่ติดมือไปออพอ เขาพบพระก่าวบางังทักคุณให้พร อ, อะไรเสร็จแล้วไอ้พวกนั้นก็ไปเอาแล้วบ้านี้หรือไม่สถานการณ์เจ้าหน้าที่ในวัดนั่นไปแบ่งให้เขาเอจัดใส่ตะก้าตะกร้าให้เท่าเทียมกันเสมอกันอย่างนี้แล้วเขาได้แล้วเขาก็ไปแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าคนอดอยากหาเช้ากินข้าอะไรนะเขาอยู่ ก็ตามทะเลวันนั้นเขาก็ทำประมงขายปูขายปลาได้ได้มีเงินมีทองพอสมควรแต่เขาถือตามประเพณีมาอย่างนั้นตั้งแต่บันพระบุษนู่นถึงวันเช่นะมันต้องทำจนเป็นเปรตเป็นคนจนซะก่อนไปพักหนึ่งแต่สำหรับคนพื้นเมืองที่อยู่ที่แผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาไม่ทำ เขาไม่แสดงอาการอย่างนั้นหรอกมีแต่ชาวเลยอยู่ตามเกาะเรียกๆในน้อยหมดนั้นแหละมันแสดงตัวเป็นเปรตนี่ความเข้าใจผิดมันเป็นอย่างนี้แหละโยถ้าหากว่าผู้ใดไม่มาได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องก็จะหลงผิดไปอยู่อย่างนั้นเลยแล้ว ทำบุญอย่างนั้นทุกปีทุกปีเนีญาติพี่น้องท้าไปเป็นเปรตเป็นผีก็ก็ไม่มีทางที่จะได้รับส่วนบุญกุศลจากงานที่ทําไปอย่างนั้นได้เลยอดังนั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแต่ว่าพระผู้เป็นศาสนาทายาทหากไม่หยิบยกมาสอนมาแสดงให้ทายกทายิกาฟังให้เข้าใจ โดยท่องแท้พระก็ดีเห็นชาวบ้านเขานิยมกันอย่างนั้นก็ เ, เลยอารมณ์อรุ่ยตามไปเลยอไม่แนะนําสั่งสอนอะไรถ้าหากว่าจะไปชี้แจงอั่งนั้นกลัวว่าเขาจะไม่พอใจเขาจะไม่นับถือไม่เลื่อมใสเข้าไปอพระส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอนุโลมตามความเห็นของชาวบ้านแม้จะขัดต่อศีลธรรมบ้างก็ก็อํานวยตาม พระที่ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมในคำสอนพระเจ้าดีอย่างนี้แนละ้วท่านก็มีเมตตาจิตอยากจะให้ทายกทายิกานั่นให้มีความเห็นถูกทำบุญกุศลอะไรก็ขอให้ได้ผลเึงเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้จึงได้ชี้แจงแนะนำให้ฟังกันคนทั้งหลายก็เห็นตามจึงในเลิกลาพิธีกรรมเหล่านั้นในภาคอีสานนี้รู้ว่นจะเลิกกันไปหมดแล้ว เลยเอามาเป็นการทำบุญกุศลและอุทิศกุศลไปให้บางแห่งก็ยังมีเหลือสลากภัตพัต่างคนต่างจัดสำรับมาแล้วก็มีมีทยทานประกอบกับสำรับเครื่องใช้ไม่สอยของพระภิกษุสามเณรเช่นผ้าขนหนูสบู่เทียนไขไม่คิด หรือมุ่งมั่นอะไรแล้วแต่ใครคิดได้ยังไงก็เอามารวมกันกับทยายทกับพัตนาหนที่ตนน้อมนำมาอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เขียนสลากเบอร์หนึ่งเบอร์สองพิจารณาเห็นว่าทยทานของพวกนี้มีค่ามากกว่ามูประณี์มากกว่าก็จัดทําเป็นเบอร์หนึ่งเข้าไปอย่างนี้แล้ว พยทธานของคนนั้นลองจากที่หนึ่งลงมาเอากับเบอร์สองลงไปก็ลงไปเป็นเบอร์สามเบอร์สี่ตามลำดับไปตามไพยทธานที่มีค่ามากมีค่าน้อยนั่นแหละที่นั่นแล้วก็เอาเบอร์อัน น, นนั่นแหละติดสปกับไพยาธานั้นแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปให้พระจับ อันพระองค์ไหนจับถูกเบอร์หนึ่งก็ไปไอเจ้าพระก็ยกไตรยทานเบอร์หนึ่งมาประเคนพระออองค์นั้นอย่างนี้เลยนี่ถูกเบอร์สองก็ถวายปฏิไตยทานไปตามลําดับกันไปอย่างนั้นเนะี่ยแต่อันอย่างนี้นี่มันก็ถูกต้องตั้งแต่ธธรรครั้งพุทธการเพื่อนก็นทํากันมาอย่างนี้แหละ เำ้ามาสลากกระพัดนั่นน่ะเนื่องจากว่าในครั้งอุทคารนั้นน่ะพระเนรมีมาก ม, มาเนี่เมื่อพระเนนมีมากนั้นทายทานที่ชาวบ้านนำมานั่นน่ะมันอาจจะไม่พอแจกกันเลยเหตุนั้นจึงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งแล้วจัดทายทานนั้นให้มันได้ พอกับจำนวนของพระอย่างนี้นะเฉลียคันออกไปพระร้อยลูกทายทานสลักกระพัดกระร้อยสำรับอย่างนี้หลยังแต่ว่าดีกว่ากันอย่างที่ว่ามาแล้วนั้น ม, มันนี่ก็ถึงว่าให้เอาพระไปจับสลักให้ถูกเบอร์ไหนก็ถวายไปตามเบอร์นั้น ยังมีปรากฏพระสาวกองค์หนึ่งแต่ครั้งพระเจ้านั้นชื่อว่าพระโกนธาทะพระองค์นี้พระพุทธองค์ทรงสนสับสนุนว่าเป็นเอตศรัทคะเป็นผู้เลิศทางการจับสลากจับสลากปีใดท่านถูกเปอร์หนึ่งทั้งนั้นเลย อ, อย่างนี้นะ แล้วท่านก็เป็นพระอาหารหันด้วยที่นี่มันก็อย่างว่านะบุญวัฒณาของคนเราแต่ละคนทํามาไม่เหมือนกันดังนั้นนะ่ะพุทธบริษัทพากันเข้าใจทาที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคํานี้นะ่ะนบวตรมีความหมายอย่างกว้างของมากเกินนะแล้วจะใครคิดเห็นอย่างไรช่องทางใด การกระทาความดีนี่น่ะผู้ใดคิดเห็นอย่างไรก็ทําลงไปตามสติปัญญาของตนที่คิดเห็นอย่างการให้ทานอย่างนี้นะอ้าตนมันชอบให้ทานอะไรบ้างมันต้องมีในใจของคนเรานี่น่ะมันมีมีความชอบอยู่ในใจเอเช่นอย่างว่า ชอบให้ทานเข้ามาทุกปลายาดอย่างนี้น ะ, ะมันก็ไปหาเข้ามาทุกปลายาินั่นแหละมาถวายทานอชอบทานแกงส้มตัวชอบแกงส้มก็เอาให้ทานแกงส้มนั่นแหละชอบผ้าสีขาวก็หาผ้าขาวไปทานอชอบผ้าสีเหลืองก็หาผ้าเหลืองไปทาน ชอบผ้าสีดํหาก็หาผ้าสีดําไปทานเมื่อใจมันชอบอย่างนั้นเดียวหาไชยทานตามชอบใจให้ทานลงไปวะ น, นี่เวลาผลมันเกิดขึ้นในโลกหน้าต่อไปทชยทานสีสันวันไหนนั่นก็จะเกิดมีให้แต่คําว่าสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองอย่างจีวรของพระอันนี้ มันก็เหลืองอย่างเครือหัดที่นุ่งห่มกันบุญกรรมมันุษยกตกแต่งให้เองมันเป็นอย่างนั้นพอสีเหลืองไม่ใช่ว่ามันมีสีเดียวเมื่อไหร่อ่ะนั่นมันมีหลายหลายประเภทเหมือนกันนะเหลืองแก่เหลืองอ่อนเหลืองสีเหลือ ง, เ ห, องเหลืองแก่เหลืองสีเหลืองแสบ อะไรต่ออะไรนี่มันมีหลายเหลืองนั่นนี่ดังนั้นนะบุคคลผู้ที่มีจิตใจฟกไปในวัตถุอันใดนำวัตถุนั้นไปให้ทานพ้นเบญจยมปรากฏขึ้นให้อย่างนั้นอผู้ให้ทานของปานีจพ้นมันเกิดขึ้นมาให้มันก็เป็นของปาณีจผู้ให้ทานขอ ง, ขอ ง, ของไม่ปราณิจ เมื่อผลมันเกิดขึ้นมาให้มันก็ได้ของไม่ฟานิดก็อย่างนี้นะทิ่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนีอเอเช่นทำชั่วได้ชั่วผู้ใดชอบเป็นคนขี้โกรธมักอิจฉาเลือดหยาผู้อื่นไม่พอใจกับใครแล้วก็ทำหน้าบึ้งหน้าบูดพูดจา หยาบลนทุกสางนั้นนะไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงสัจวัตรทำวันนี้มันตกแต่งให้ชาติต่อไปนี่เป็นคนขี้ร้ายขี้เละทั้งกล่ำทั้งดำไม่สวยไม่งามเลยสวดชงก็ไม่สวยไม่งามไม่ได้สัจจะชวนนี่ที่ที่พระพุทธเจ้าสัจวัตรทำชั่วได้ชั่วอันเมื่อผูดด้ใดได้รูปร่างขี้ร่ายมาอย่างนั้นก็เอาแล้วน้อยใจวะนี้ ไม่พอใจกับตัวเองเลยทำไมตนไม่สวยงามเหมือนเพื่อนไอ้อย่างนี้ผู้ที่ไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามคมําสอนพระติเจ้าแล้วก็โนยอกน้อยใจอยู่อย่างนั้นแหละบางคนก็ไปฆ่าตัวตายก็มีถ้าเป็นผู้หญิงรูปไม่ค่อยสวยงามผู้ชายก็เมินเสียไม่เลี้ยแล้วบางคนก็น้อยอกน้อ ย, ยใจ ไปรักใครเข้าตะคนหนึ่งเอาภายหลังเขาเบื่อเขาไม่เล่นด้วยแล้วโนยใจแล้วไปผูกคอตายอ่อย่างนี้คนเราถ้าหากว่ารู้ธรรมะคำสองมุติเจ้าดังกล่าวมานี้เราจะไม่ไปผูกคอตายเออเรามันทำไม่ดีมาแต่ก่อนนะมันถึงได้อย่างนี้มาเอ้าบัดเนี่ยถึงแม่รูปร่างนี้ขี้ไร้ก็ตามแต่ว่าเราจะทำความดีไป เราจะทำดีพูดดีเราจะไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธเราจะไม่ติชิ น, นินทาใครถ้าหากว่าเขาไม่ได้ราวนาตนให้ตนตักเตือนสั่งสอนเราก็ไม่สอนไม่ว่าเขาเขาจะทำผิดต่อหน้าต่อตาอะไรก็ช่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกกล่าวเขาได้เขาไม่ยอมเป็นสิตเรา ถ้าผูใ้ใดทําใจได้อย่างนี้แล้วเออธาตต่อไปนะมันก็จะมีรูปสวยรูปงา ม, มานั่นแหละคนเราไม่ใช่ว่าจะทําดีไม่ได้เมื่อตกไปทางที่ชั่วแล้วรู้ตัวแล้วก็กลับทําดีขึ้นได้อยู่นี้เมื่อทําคนงามความดีให้สูงขึ้นไปได้แล้วนะไอ้ความชั่วที่ตัวทามาแต่ก่อนนั้นมันก็ตามให้ผลไม่ทัน มันก็เป็นอโหสิกรรมไปถ้าไม่อย่างนั้นพระศาสดาจะจะไม่ทรงสั่งสอนให้ละชั่วทำดีเลยแสดงว่าความชั่วนี้ละได้ละไม่ได้แต่ความชั่วย่างหนักอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วอันนัินตรยกรรมกำหนักมีค่าพ่อข้าแม่เป็นต้นมุ่งนี่อันนี้บุคคลจะเพียรพยายามละปัญญดกรละไม่ได้ มันต้องติดตามให้ผลมีอเวจีมหารกมห า, ารกเป็นที่ไปแต่ถ้าบุคคลได้ทำกรรมเบากว่านั้นลงมาแล้วรู้ตัวแล้วสามารถเพียรพยายามฝึกผลจิตใจให้สูงอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอย่างว่ามาแล้วนั้นบาปกรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นอาโหสิกรรมไปมันจะตามสนองไม่ทันแล้ว เพราะว่าจิตใจมันสูงขึ้นด้วยบุญด้วยคุณอยู่แล้วสูงอยู่ด้วยขันติความอดทนอย่างที่ว่ามานั่นแหละใครจะมายัวย่วเยนชนทลวิวตัตรก็ไม่เอาด้วยเลยเพราะว่าจิตใจของผู้นั้นมันสูงอยู่แล้วเนี่มันมองเห็นไอ้การทลวิวตัตรํำหยาบคายต่างๆวันนี้เป็นของเลวเมื่อผู้คนผู้ใดไป บําเพ็ญเือกระทาไม่เป็นไปอย่างนั้นผู้นั้นก็เป็นคนเลวถ้าทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนเลวทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วยอดได้ทนได้หาทางหลีกเลี่ยงเช่นนี้นี่ไอ้ฝ่ายที่ก่อขึ้นน่ยก็เป็นคนเลวฝ่ายเดียวฝ่ายที่ถูกด่าว่าทีเซียน ก็ก็ไม่เสียหายอะไรเมื่อก็มีจิตใจสูงขึ้นไปอเป็นอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจอย่าไปนึกว่าเอ้าเขาดา่าเราเราไม่ดา่าตอบเราก็โง่ลวสิไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนโง่ทั้งสองฝ่ายอ่าพอโง่สิมันไปรู้อำนาจแก่ควมชั่วเนี่ยรู้อำนาจแก่คน โ, โรดนะมันจะไปโง่ไงอ่ะ คนฉลาดเขารู้ว่าความโกรธมันมีพิษมันไม่ดีมันก่อใหเ้เกิดทุกข์อย่นี้แล้วใครจะมายั่วยวนชวนให้โกรธก็ไม่โกรธแลไม่เอาแล้วผมมีพิษกิเลสเหล่านี้กนะ็หาทางหลีกเลี่ยงเลยถ้าว่าไม่พูดไม่จาอะไรก็นิ่งเฉยซะเลยวางอุเบกขาลงมีสติประคองจิตไว้ถ้าใครจะด่าจะว่าง่าก็ว่าไป เขาด่าเขาว่าเหนื่อยแล้วมันก็เลิกลาไปเะ น, นั้นเองในเมื่อเราไม่ตอบโต้อืถ้าตอบโต้ลงไปก็ไม่มีสิ้นสุดแล้วเห็นเช่นั้นพากันพิจนาให้ดีอย่าไปภาวนาหรือพิจรณาให้เลยล้าเส้นอันที่ตนยังล้าไม่ได้นี่ข้ามไปพิจารณาธรรมะอันสูงไปรุ่ม แล้ววันนี้ไอ้เส้นอยู่ใต้นี่ตนยังข้ามไม่ได้เลยเช่นนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเหตุ น, นั้นต้องพยายามชำระกิเลสอันมันรบ ก, กวนจิตใจเป็นทุกข์เกิดร้อนประจําวันอยู่นี้ให้ได้ก่อนอา่านั่นแหละเมื่อกิเลสต่ว น, นี้มันระงับลงไปแล้วจิตใจสงบผ่องใสที่เราจึงค่อยพิจารณาธรรมะอันสูงขึ้นไปกว่านั้น ก็ดําเนินไปได้สะดวกแล้วบันนี้นะเช่นไตรลักษณะญาณอย่างนี้นะก็เคยพูดให้ฟังอยู่ถ้าบุคคลใดมีใจหลอดแหละอ่อนแออยู่ยนี่นะ่ะจะมาพิจารณาไตรลักษณะญาณก็ไม่เห็นไม่แจ่มแจ้งด้วยใจเลยเป็นอย่างนั้นถ้า <c oughs> ใจตั้งมั่นผองไสด้วยที่แล้วอย่างนี้นะการน้อมพิจารณาดู สังขารร่างกายอันนี้ไม่ว่าแต่กายมนุษย์กายสัตว์ที่เล้ชั้นนอกจากร่างกายมนุษย์สัตว์ชั้นแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าอะไรร้วนแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่อย่างยืนทั้งนั้นเลยถ้าใจเป็นตั้งมั่นแล้วพิจารณาก็เห็นชัดไปเลยเพราะมันเห็นอย่างนั้นมันก็สังเวชหลุดใจสังเวชเพราะอะไรสังเวชเพราะดวงกิตดงนี้แหะ ทำไมจึงมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้เมื่อมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเช่นี้มันก็เป็นทุกข์แหละมันจะไปมีสุขได้ยังไงเพราะว่าของไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งจิตใจอยู่เสมอดังนั้นมันจึงหาความสุขไม่ได้เลยอืมื่าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ว เมื่อเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันก็เห็นความทุกข์ไปด้วยเช่นอย่างร่างกายอย่างนี้นะเมื่อมันไม่เที่ยงถึงเวลามันวิบัะแปรปวนไปความรู้สึกของจิตที่มีต่อร่างกายนี่มันก็รู้สึกผิดปกติไปแหละรู้สึกเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้ร้อนมากหนาวมากอ่อนเพลียและเหี่ยใจอะไรต่งางๆนี่ จิตใจเมื่อไม่รู้เท่ามันก็กระวนกระวายให้ร่างกายก็กระสับกระใสนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นทุกข์คือความไม่เที่ยงของสังขารที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองเหล่านี้แล้วไม่ถือมั่นเลยในนี้ปรงก็วางลงเอไม่เสียใจไม่ดีใจ เวลามันวิบัติแปลโวลไปก็ไม่เสียใจเวลามันปกติมีกำลังเลี่ยวแรงดีก็ไม่ดีอกดีใจก็กำหนดรู้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละว่าถึงว่ามันจะเป็นปกติอยู่ในระยะนี้และสอไปร่างกายนี้ก็จะวิบัติแปลโวลไปไม่ไม่แปลโวลอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งแน่นอนทีเดียวถ้าไม่แปลโวนอย่างนี้มันก็ไม่แตกไม่ดับปัญญามันสอดสองมองเห็นอย่างนี้ เราก็รู้แจ้งไปถึงว่าพอเมื่อมันเป็นทุกข์ได้ยากลาบากอย่างนี้ทำไมไม่บังคับให้มันหายทุกข์ล่ะก็มันบังคับไม่ได้นี่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของจิตเลยรูปร่างกายอันนี้หรือว่าวัตถุนอกร่างกายออกนี้ไปก็ตามมันก็ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของจิตเลยเพราะฉะนั้น มันจึงบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อมันหมดเหตุหมดปัดจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายลงเวลาเหตุปัจจัยมันล้อยหลอลงไปไอ้ร่างกายนี้ก็ทุกพลสภาพลงติดบัตรแปลพนไปสามวันดีสี่วันไข้ทุกข์ก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทนายก็เหนื่อยเมื่อยล้ามัเหมือนแต่ยังนมหรืออยู่ในวัยกลางคน ก็เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปด้วยปัญญาอย่างนี้เท่านท่านจึงเกิดลิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมากๆเขาแล้วมันก็คลายความยินดีพอใจในรูปในนามนี้ลงไปเจริญปัญญาสอนจิตไปเรื่อยๆไป มันก็ยิ่งคลายความยินดีนยินร้ายในนามในรูปนี้ไปเรื่อยๆเพราะมันเห็นแจ้งแล้วนี่ว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยบังคับไม่ได้เนี่ยแล้วจะไปยินดีน ย, นยินร้ายเสียใจดีใจกับมันทำไมจะไปเศร้าโศกโศกากับมันทำไมเวลามันจะแตกกระดับก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวเพราะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเนื่องจากว่าได้ปรงได้วางมาแต่ยัง มีชีวิตยอยู่แล้วยังมีกำลังดีอยู่นั่งภาวนาหัดงงหัดวางลงไปแต่สมมุติว่าเราตายแล้วอย่างนี้นะนั่งสมาธินี่นะอ่าตายแล้วหมายความว่าจิตจุดคิดจุดนึกไปแ ล, แล้วนี้แล้วก็ไม่ยินดียินร่าย ต, ต่อทุกต่อทุกต่อความแปรปรวนของร่างกายอันนี้เช่นนี้ก็สมมุติว่าตายจากโรคนี้แล้ว คือจะตายจากโรคนี้ก็คือร่างกายนี่เองเนี่ยคิดไม่ยึดไม่ถือปรุงวางลงไปแล้วอย่างนี้นะนเมื่อทำใจได้อย่างนี้นะนี่มันมันจะเป็นหนทางที่หลุดพ้นจากน้ำจากรูปอันนี้ไปได้พิจารณาเห็นโดยปัญญาอย่างนี้แล้วเบื่อหน่ายอย่างว่านะเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่มันไม่เหมือนอย่างคนเบื่อหน่ายในระหว่างผัวเมีย หรือเบื่อหน่ายต่อของโสโคกทั้งสเมื่อผ่านพ้นไปแล้วมัก็เลี่ยงไปทัวเมียทะเลาะกันผิดกันเอานีจากกันไปนานไปความโกรธมันหายเลยวพอคิดถึงกันกลับมาหากันอีกนี่เรียกว่าความเบื่อหน่ายด้วยอํานาจของกิเลสอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงอย่างนี้มันเป็นความเบื่อหน่ายที่ไม่เป็นหนทางพ้นทุกข์ สวนความเบื่อหน่ายต่อน้ำรูปอันนี้ด้วยอํานาจแห่งปัญญาเช่นนี้จิตใจย่อมไม่เป็นเช่นนั้นนะจิตใจนี่มีปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมองเห็นว่านามรูปอันนี้เนียเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ า, นายมองเห็นเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเยินร้ายเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางไว้ตามสภาพเอควรทําจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งลงไป มันถึงจะพ้นจากน้ําจากรูปนี้ไปได้ต่อไปนี่การพิจารณาเห็นเช่นนี้แนละ้วเสมอเสมอไปแล้วก็หัดฟงหัดฟังไม่วิตกวิจารณไปอีกอย่างนี้แล้วมีหนทางที่จะหลุดจะพ้นจากน้ําจากรูปอันนี้ไปได้ถ้าไม่พ้นจากน้ารูปถ้าพ้นจากน้ารูปอันนี้แล้วแต่รำรำน้ำรูปอย่าง ละเอียดกว่านี้ไม่ค้นก็ยังดีเช่นเมื่อค้อนจากนามรูปอันเป็นมนุษย์นี่แล้วไปเกิดเป็นเทวดาอินพรมอย่างนี้นะก่อ น, นับว่าได้รูปร่างอันละเอียดประณีตสวยงามเป็นทีอ่อยู่อาศัยของดวงกิดนี้มันก็มีความสุขความสบายใจมากกว่าดวงกิดมาอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์นี่เพราะร่างของมนุษย์นี่มันหยาบอย่างนั้น แต่นั้ความสุขที่มนุษย์ได้รับมันจึงหยาบแล้วมันเจืออยู่ด้วยความทุกข์อีกด้วยเพราะมันไม่เที่ยงอย่างที่ว่านั้นเนี่ยที่นี้ร่างกายของเทวดาบุญกุศลตกแต่งให้อันนี้ละเอียดประณีตบรรจงไอ้ใจกับร่างกายสัมผัสกันนีนก็ละเอียดมากอันนี้นะมันไม่เหมือนในายกับจิตของมนุษย์สัมผัสกันถูกต้องกันอันนี้มันหยาบ เหตุนั้นมันถึงมีเวทนาอยากเกิดขึ้นมานี่แหละการหลุดพ้นนี่เรียกว่ามันหลุดพ้นไปเป็นขั้นตอนสำหรับบุคคลผู้สร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มบริบูรณ์อย่างนี้นะก็หลุดพ้นจากขั้นหนึ่งมันก็ได้ไปเสวยผลบุญอันประนีตบรรจงที่ตัวด้บำเพ็ญในโลกนี่ก็เช่นอย่างจนได้ภาวนาอย่างนี้นะ ภาวนาทำจิตให้ละเอียดปานิษฐ์เข้าไปอจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณาไม่คิดเกลียดใครชังใครตัณสังนันนาไม่คิดเศร้าโศกหาใครต่อใครหรือเศร้าโศกกับเรื่องใดๆอย่างนี้แล้วทำจิตให้ละเอียดปานิษความรู้สึกในสมาธินั้นละเอียดมากมนุม่มนวล แล้วลมหายใจเข้าออกก็เบามากอย่างนี้นะอันนี้แหละเราปรับปรุงจิตใจไปตั้งแต่เป็นมนุษย์ให้ละเอียดประณีตอย่างนี้หละเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็เกิดเป็นเทวดามันถึงได้อาศัยร่างกายอันประณีตบรรจงบุญกรรมตกแต่งให้เราแต่งกิจตในปัจจุบันนี้ก่อนน ะ, ะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ผุดผัดจิตใจเขาสนใย ไว้ให้ใจโมโหโทโศจัดอยู่แต่ใจบุญก็มีทำบุญอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังโมโหโทโศงนั้นเนียเออมันไม่มีทางที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้แบบนั้นนะ อ, อ่ามันก็ถ้าอย่างว่าไม่ทำบาปกรรมตายจากเป็นมนุษย์ปุ๊บก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ปับ๊บเขาไปแล้วแล้วก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันแสน ย, ยุ่งเหยิงเหล่านี้อีกเ อ, อ่ นี่แะพอฉันพูดได้รู้อย่างนี้แล้วเพิ่งปรับปรุงจิตใจของตนให้ดีให้ละเอียดประณีตลงไปอย่าไปยึดอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจในบุคคลหรือในสัตว์หรือในสิ่งของอะไรต่ออะไรไว้หัดปงหัดวางให้ได้อย่างนี้แหละจะจะเปิดเสือว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์บรรลุถึงซึ่งความสุข คือพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทานของชาวพุทธทั้งหลายดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้